บริวา อ, อีสานบริวาภาษาบา้านเฮ้านานเวยเดี๋ยวจะเรื่อภาษาบ้านเฮ้าเมื่อนี้สิะบอกภาษาบ้านเฮ้าให้ฟังเมื่อนี้เป็นวันที่สิบแปดพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบแปดวันนี้เป็นวันขึนแปดคำเดือนสิบสองวันพระนาเนี่ยเป็น เรือน12เพนหน้าวันร้อยกระทงเป็นวันพระใหญ่เวบเป็นวันสิ้นปีของจันทรคติแล้วก็พระในวัดของเฮาคณะดีก็มีอยู่40องค์พระอยู่ในวัดนะลงมาฉันเมื่อ น, นี้29เพิ่นบรุลงมาฉัน1 1องค์มาเมื่อ น, นี้ก็เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวัวเฮา ถึงจะออกพรรษาในพรรษานอกพรรษาพวกเขาก็ยังปฏิบัติตนโดยสม่ำเสมอวันพระก็แต่เมื่อนี่หลวงพอบอกกับผู้หมวดว่าบ่าต้องบ่ต้องสมมารถท่านศิล์กระไดมั่งเพราะว่ามีแต่หนาเกา่าศรัทธา ญ, ญาติโยมกาเบิงหลกักกะบ่หลหนุ่งอยากนับกับการเก็บเกี่ยว เพรช่วงเนี่ยเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเกี่ยวเขา่ากําลังลงไฮลงหน้าพอพวกเข้าอยู่นี่ชนนบรเกี่ยวกับการทําไร่ทำหน้าทำสวนเมือเ่อนี่ยเรู้สึกว่าลูกหลานมิแต่คนหนาเก่าๆมิแต่พวกผูกเคยเขาวัดเขาว่ามาแล้วถึงอย่างไรก็ตามถึงจะบริสุสมาท่านศินก็ให้พวกเข้าสมาท่านสินวิรัติเกตนา วิรจเกตนาค่อว่าในวันพระหนึง่งข้าพเจ้าจะว่ให้ขาดข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนากชนพุทธบริษัทเป็นอุบาสกอุบาสิ ก, กาในพระพุทธศาสนาผู้ขาจะบ่ให้ขาดทุกวันพระแปดคำสิผาคำยางหน่อยผู้ขาจะรักษาสินหาการรักษาสินหาบริแรรักษาสินหนึ่งใดบ่รักษาศินสองใดบ่ สินหนึ่งขาพระเจ้าจมูกขาสัตว์เอ่รักษารักษาศินสองนี่ยขาพระเจ้าจมกกินเหล่าอ่าขาพระเจ้าจะงดกินเหล่าในวันพลาดจริงๆอ่ารักษาศินสามก็ว่าไปล่ะตัวนี้เอ่ยรักษาสินสี่ต่อไปก็ครบมากก็ครบสินหาเท่านั้นเอ่ยทานาา่าฮ่าบอเลบบอเลบนับหนึ่งเฉลยมันก บ, บดีขึ้นกันเนี่ยพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมเออ คือหับนับหนึ่งขาไปเจ้าจะรักษาสินหาขอที่หาตลอดชีวิตพอขาไปเจ้าเห็นโทษอในพีในนองในวงสาขนายัดที่ล่มหายตายจากไปกรเพาะนี่แหละเพราะตัวนี้แหละเพราะนั้นขาไปเจ้าเห็นโทษขาไปเจ้าจะงดตลอดชีวิตเออเจงเสี่คือว่าเข้ารักษาสินขอที่หนึเหมือนบอดได้ขอหนึ่งคนละไปต่อมาแล้วเอ๊ เห็นญาติพี่น้องถูกขาถูกแกงเขามาพ่อได้เห็นในซื้อต่างๆเพราะการขาเพราะนั้นพวกขาไปเจ้านี่ยในการขาขาไปเจ้าจะงดเว้นในการขาโดยเด็ดขาดจะบอกขาสัต์ตัดชีวิตอันนี้เกิดได้สินขอที่สองในสินสองขอแล้วะออขอที่สามก็เหตุเขาเขาโม้ยกันเอพอเขาเขาโม้ยเสียงของไปเขางัดตู้เซบ ในบ้านเจ้าของก็หล่อม้อมหล่อมไห้เาขามาขโมยพอแม่ไปเลียกคาไทยก็เป็นถุกเป็นหล่อนทางตระกูลเอาเถอะผู้ขาเกิดมากเกิดมากพบใดชาติใดผู้ขาเห็นทบพุนอนะเรื่องการขโมยผู้อื่นเนี่ผู้ขา่าจะบอกขโมไยไผ่เด็ดขาดเท้าไฟยังจับยังระลึกได้โยยังจับได้โยาการขโมยกันเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน มนุษย์อยู่นํากันเบียดเบียนกันเห็นไหม เ, เขาขโมยขนาดขโมยล่องเท้าก็ยังเป็นทุกข์เป็นหล่อนแล้วขโมวยรถ ล, ล่าละ่ะขโมยสิ่งของมั่วควายเขโมยเงื่อนคําขึ้นไปงัดบ้านไปขโมยสิ่งของในบ้านของเฮาเฮามีความทุกข์ขนาดใดเพราะนั้นผู้ขาร์เห็นโทษแล้วในการขโมย ขาไปเจ้าสีบอกขโมยถึงข้าไปเจ้าบอกเคยขโมยไผ่กรตั้งขาไปเจ้าเห็นโทษป่ะการขโมยให้เป็นทุกอิหลี่ขาไปเจ้าจึงงดเว้นในการขโมยเด็ดขาดอจนถึงเกิดพบไรชาติไดขอให้ข้าไปเจ้าอยาไดเป็นขโมยให้ซื้อซัดสุดจริตจนถึงเข่าสู้ผนิพานอต้องขึ้นในใจจังสัตว์แล้วก็ข้าไปเจ้า สินคอที่สามสามีภรรยาลูกหลานผู้ใดเขาก็หักอข้าพระเจ้าจะเข้าลบสิทธในสามีภรรยาลูกหลานของทุกคนถึงเฮาจะเข้าใจกันอในครูแต่ว่าพอแม่มออย่างบอรอนุญาตอนันก็ย่างเป็นผู้พิสิทธิ์อยูเอ่เพราะนั้นข้าวพเจ้าจะ รักษาศีลให้บริสุทธิ์ในเมื่อข้าพรเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดก็ใครผู้อื่นเข้าลบสิทธของข้าพรเจ้าอขาพรเจ้าจะเข้ารบสิทผู้อื่นอย่างแข่งขัดออันนี้ก็คือศีลข้อที่สามขอซีซีขาพรเจ้าจะบอกกี่ตัวอภบอกโกหกไผบอต้มตุนหลอกล่วงผู้ใดการต้มตุนหลอกล่วงผู้อื่นค่คยเห็นมาหมากตอมากพ่อขอตัว ต้มตุ้มตูนไปแล้วน ะ, ะผู้ที่ถูกต้มตูนไปนะล่องโฮมล่องไหาเสีย อ, อกเสียใจอพอถูกหลอกถูกคลุง้งถูกเขาโกหกไปผู้ขาเห็นแล้วขาไปเจ้าเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่บอดีเพราะนั้นพระเจ้าจะงดเว้นในการโกหกต้มตุนหลอกล่วงผู้อื่นโดยเด็ดขาดนะนี่แหละถ้าวาเห็นโทษที่ละขอละขอ เฮ้ากับเป็นผูวมีสินเท่านั้นแหละบาดเนีอสินของพระพุทธเจ้าเนี่สินคุมข้องโลกทำให้โลกทั้งโลกหล่มเย็นเป็นซุขคันว่าโลกทั้งโลกขาดศินในรรมเี่คุณธรรมศินธรรมจริยธรรมโลกทั้งโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายอย่างที่พวกเข้าเห็นนี่แหละเดี๋ยวประเทศนั่นเดี๋ยวประเทศนี่ ออย่างหลวงพ่อนั่งอยู่ในป่าในโดง่งอยู่ในป่าในโดง่งสัทธายาิโยมเขามาเกี่ยวของเขาก็มาบอกมาว่าให้ฟังโอ้หลวงพ่อประเทศฝรั่งเศสน่คนตายหลายเลยเป็นอย่างเพราะเขาเอาเนี่ยแหละโกรธให้กันกับตำรวจพี่ชีพอพอหลวงพอ่ ม, มีโทรทัศน์แต่ในบัตรหลวงพอบ่อ้มีเอเขาก็มาบอกให้ฟังพี่ชีพตายหลายโอ้ตายหลายโอ้นี่แหละ ในหลักธรรมข้าสอนของพระพุทธเจ้าการขาผู้อื่นก็ดีการเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นก็ดีมันบ่เป็นพ้นดีทําให้เจ้เทื่ยนใจอันนี้มันบ่จะเทื่ยนไปทั่วโลกอีต่างหากพราเหตุใดลูกหลานไปนะคือใดจันได้นี่แหละในหลักธรรมข้าสอนของพระพุทธเจ้าพนว่ามิจฉาวนิชาคือการค้าขายไม่ชอบธรรมมีอยู่ ห้าอย่างมิจฉาคือมิจฉาชีพไปวันนีค้คือการค้าขายค้าขายที่เป็นมิจฉาชีพในหลักของพุทธศาสนามีอยู่หาย่างพระพุทธเจ้าห้ามพ้นพระพุทธเจ้าเว่าวตั้งแต่พุ่นี่ยตั้งแต่สองพันหาลอยหาสิบแปดปีให้หลังนะอพระพุทธเจ้าพ้นตรัสพ้นบอกไปเออพวกสูเจ้าทั้งหลายอยู่น้ากัน อย่าไปทำมากค้าขายการค้าขายแบบนี้เพถูกตองนะเนื่องค้าขายเครื่องประหารค้าขายประหารเคยเคยอย่งนับตั้งแต่เบ็ดตั้งแต่แหตั้งแต่ปืนผาหนาใหม่ระเบิดปรมาโน่เรื่องดำหนามมันนะสื่อมาเพื่ออยัางเพื่อขากันอย่าไปขายอย่าไปขายเครื่องประหารอย่าไปสื่อเครื่องประหารมาก ใช่อันนั้นเครื่องประหารประหารคืออย่างคือเบียดเบียนผู้อื่นขาผู้อืญนี่แหละข้อที่หนึ่งอย่าอย่าทำมาค้าขายเครื่องประหารอย่าค้าขายมนุษย์ออมนุษย์กันเนี่ย อ, อย่างที่พวกเขาอย่างนี้เนี่ยโลหิตยาอย่างที่วานเนี่ยเดือดร้อนไปทอกงหัวแหง้ขึ้นกันค้าขายมนุษย์อค้าขายค้าขายสัตว์เป็นสําหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร <c oughs> ออข่าขายไก่ข่าขายหมูข่าขายที่เห่าเลี้ยงขึ้นมาล่ะเขียงขายปลาแต่มันก็มีชีวิตคือกัน อ, อ, อย่าไปทําหรืออย่าไปข่าขายเถอะเพราะว่า อ, อมันสัตว์ที่ไรฉันมันมีชีวิตเอาเป็นพุทธศาสนาี่กรชอนทำมากข่าขายอย่างอื่นซะ อ, ออันนี้มันมีชีวิตมันหลักชีวิตของเหาเห่าหลักชีวิตของเขาเขาหลักชีวิต ของเขาของเฮ้าคือกันเพวัะนั้นอย่าไปอย่าไปของแวะในการเลี้ยงสัตสําหรับเพื่อขาเพื่อเป็นอาหารเดือขายเพื่อเป็นอาหารข้อที่สี่ยาค้าขายนําเมายา ค, าคาา้าขายนหนำยาไปขายยาบาอย่าไปขายขั้นชายาฟินอย่าไปขายเหล่าย่าไปขายเบียรในเมื่อดื่มเบียรืมดื่มเหล่าเขาไปแล้วขั้นชายาฟินเฮเหล้าอินเขาไปแล้วขาดชะเต ในเมื่อค้นขาดจิตติแล้วทำความชั่วได้ทุกอย่างขาพอขาแม่ขาพีขานองขาวงสาคานายาติบหุยจักสูงโบหุยจักต่ำโบหุยจักเสียงโบขควนขวรบข้วนโบหุยจักพราะมันขาดสิติในเมื่อค้นขาดจิตติเราทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะนั้นเท่ายับขาดจิตติบอขาดมาเท่าบบอยากขาดจิตติอย่าไปหาดื่มอย่าไปหาขี่ดและอย่าไปหาขายอย่าไปหาส่งเสริมซึ่ง อขอที่หาห้ามค้าขายยายาเม่าลรือยาพิอแล้วกันขอที่หาห้ามค้าขายยาพิษห้ามน้าน้ําเมาแล้วก็ันี่ยขอที่สีคาห้ามค้าขายยาพิษยออ่ยาพิษก็คือยาเบื่อยาข่ามาแลงยาข่าสัดต่างๆแต่มีเป็นไปได้ครับงดซะ เพราะการเป็นเป็นมิจฉาชีพการเบียดเบียนผู้อืน่นนี่แหละลักท่ำข้าสอนของพระพุทธเจา้าสรุปแล้วก็คือสิลละร่ำจริยาท่ ำ, ทำข้ามนี่เขาเข้าเขาเข้าเขาเขา้าเขา้เข า, ขาก็บอกอยากให้ผู้อื่นมาเบียดเบียนเข้าบอแมนว่าบาทมีบออยากให้เบียดเบียนเข้าเขาก็จะไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาในเมื่อไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาเขาก็เดือดร้อนพอแม่พี่น้องของเขา เ, เสียอกเสียใจหล่องโหมหล่องหอย ห, หลังจากที่ตลงพอบอยฟังว่าที่เขาระเบิดกันขึ้นกันผู้ที่ถูกระเบิดก็บอจักอินโนอินเนียยต่างหาก อ, อ, อยู่ในบ่ิเวณหุจักว่าไข้ไผไปพิษไผไผไปได้ไผไผไปทะเลาะกันให้กับไผเฮ้ากัอยู่ต่างตามเฮ้าแต่พือเพือนั่นมาถูกขาถูกแกงเป็นการระบายของข้อกลุ่มหนึ่งที่บอส ไอ้ตีโมโหให้กับผู้อื่นหลวงพ่อกะว่ามันกระบอถูกขึ้นกันได้กันพอ เ, เอาไปเกียดให้พอให้แม่ไปไปเตะลูกลูกหน่อยเขานะตเต ะ, เตะลูกเตะหลานเขามันกระบอถืข อ, ข, อ, อ, อ, นะอขึ้นกันนะพราลูกหลานเขาพอจักอินโหนอินเหน็นะว่ามันเตะมันไปตอนนี้มันกระเทือนผู้นั้นจังจันบ่หลวงพ่อกับบ่จักบ่อน้าขึ้นกันน่ะเพราะเหตุใดเพราะว่าเขาโบางจักอีหยัง คันมีหยางกับมาบ่กันมนุษย์สนทนาป้าลบกันขอหลองกันบอกกล่าวกันการอยู่น้ากันผู้ใหญ่ขึ้นกันต้องให้ฟั่งเสียงผู้หน่อยขื้นกันแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่เราโบฟั่งผ้าใยโบฟั่งผ้ายเป็นนักเลงตั้นกระวศือขึ้นกันเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเอือบเฟื่อเอืออาลี่เขาอยู่เขากินจังใดมีสาระทุกซุกติพจังไดผู้หน่อยก็อ้อนหน่อมทอมตนขอไปหาผู้ใหญ่ ต่างคนต่างพึงพาอาศัยกันมีเมตตาต่อกันโลกทั้งโลกก็มีแต่ความหลบเหย็นเป็นสุขได้ลงพอว่านะคัร์โนมาพูดไดก็ขึงไผ่ขึงมันพอปันปากัดเอล่ า, าจังไดละ่ะโตหน่อยก็บอยงอมโตใหญ่โตใหญ่ก็บอยอมโ ต, ต, มตหน่อยพอในสุดกันั่นนะกัดกันนู่นนี่ยไปหมดแต่ถึงยังไงก็ตามมันไปโตใหญ่กถึงจะตตหน่อยจะบ่ชนะก็กจริงอยู่แต่ว่ามันก็กัดขีบขาดไปขึ้นกันแหะ ขีดปลายไงวนไปโผล่ในส่วนก็สูนปาลายไงโบราณละตัวมันมีกําลังกว่าเพราะนั้นให้พวกเข้าพุทธศาสนิกชนนะพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าให้ใชัปัญญาบอมันให้ใส่สัทธาคือความเชื่ออย่างเดียวบ่ให้ใส่กําลังอย่างเดียวต้องให้ใส่สติปัญญาแก้ไขรู ล, ลบเป็นปีกรูห ล, ลีกเป็นหางนกกาอาศัยสิ่งปีกหาง ไปสู่ทางที่ประสงค์จงดังหมายให้ลบลูกจักรลบลูกลูจักเหล็กปีกป่องประคองกายอันตรายทั้งหลายก็จะบวมีกระเพ้าเพลายเพราะพวกเข้าให้ใช้สติให้ใช้ใชปัญญาอันไหนสิจะเป็นจริงที่ปกป้องอันไหนสิเป็นที่เป็นพิษเป็นไพ่เป็นอันตรายเอ อ, อย่างพัวเข้าเขื่อนเข้าจะไปเข้า สำหรับพวกเข้าพีหนอกไปแช่ชนไปเขาไปทะเลาะกันเข้าก็จะไปรับหูรับทราบแล้วไปแย่ไปบอให้เขาผลในชุดกันเลยซึชักซึกเข่าวบานเพิ่งว่าคนโนนบล้านเพิ่งว่าซักซึกเข่าบบานแค่แค่ว่าเขาทะเลาะกันอยูุ่่นตัวเองเพื่อไปรับหูรับทราบอไปแสดงความคิดเห็นทําให้เขาโมโหโก้ท่าผลในชุดก็เลยฮผ่านมัดทะเลาะกับผู้ไป ยังผวกเข้าไปรับผู้รับทราบเขาเขาอีกเสิยงโมนันทั้งหลายทั้งปวงเข้าก็ต้องบังให้ดีขึ้นกันนะพี่น้องหลูกร้านสะทาญาติโยมผลลัพของพุทธศาสนาผนให้ใส่สติให้ใส่ปัญญาให้ใส่ความรอบขอบอให้ใส่ความรอบขอบอย่าไปใส่อทิฏฐิมานะเข้าหากันะทิฏฐิคือความเห็นก็ใช่ความคนเข้าก็ต้องมีความเห็นนั่นแ่ะ แต่ว่าแข็มแข็มแข็งกระด้างนะ่ยมานะ ค, คือคือแข็งแข็งกระด้างนะ่ยแต่ว่าแข็งกระด้างค่ํานี่ก็ใส่ให้เป็นก็นเป็นประโยชน์ เ, นเพราะเหตุใดเอพราะเหตุว่านี่ขาพเจ้านี่จะ ย, ยืดพพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระระเป็นที่พึ่งใครจะมาเบียดเบียนขาบ่อใ้ขาจะนี่มุ่งมั่นอันนี้ก็คือมานาจคือคข็งแข็งกระด้างไปในทางที่ถูกต้องมันก็เป็นเป็นธรำขึ้นกัน อคำว่าใส่ไปในท่าทงที่บสถ์ต้องมันเป็นกิเลสอั น, นั้นเดือดร้อนวุ่นวายทุกวั น, นมันใส่ไปในท่าทงที่บสถูกันนะทําให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายกันเพราะฉนั้นขอให้พวกเขานะ่ะลูกหลานศรัทธาญาติโยม อ, อให้ทำ ม, มาหาเหลี่ยงชีพสรุปแล้วก็คือให้เบิ่งเจ้าของมองเจ้าของนั่นแหละเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นยังสี่เป็นอย่างไง ข้าจะไปดินโดดหมากมันก็ไม่ได้มิเตเจ็บตัวเราก็ต้องพยายามใส่แนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทวาเศรษฐกิจพ่อเพียงขอบรัวของห้ากของรู้จักปลูกพักปลูกยาแล้วก็กินเองขายไปบังแล้วก็การใช่การจ่ายให้สำรวมระวังอย่าไปใช่เกินตัวสมัยเหมือมันล่วย เทาก็ใส่แบบรุย่ยในเมื่อมันจน เ, เศรษฐกิจแบบจนเทาก็ต้องใส่ตามจนตามเศรษฐกิจพ่อเพียงอย่างที่ผิดบอกทางรัฐบาลเขาโปรโมอดหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะจะเป็นพระสงฆ์ข้าเจ้าเพื่อกันการไปอยูย่มองไร่เรื่มเจ้าของลื่มเจ้าของลื่มตัวาการใส่การใจเกินฐานะของเจ้าของทําให้ผู้อื่นทําให้ตนเองเดือดร้อน เพรเดือดร้อนเข้ามาแหละจะนีบาปเฮ็ดยังไงนะไปเห็นภัยมีเต็อยากแพรอยากขออยากเกลี่ยอยากไล่เออยากได้เงื่อนมาเพื่อจะให้ส่งเสริมกิเลสในใจของเจ้าของกิเลสความโลภกิเลสภายในใจเจ้าของอย่าเอาเ อ, อให้มันหรูหรา อ, อ่าทั้งที่เป็นเงื่อนของผู้อื่นเสียงเราหนี่ทั้งหลายทั้งปวงเข้าต้องได้คิดคือกันเพรอาเข้าเป็นนักพรดนักปวด พระพุทธเจ้าของเฮาไปยังไหนตนตระกูลของเฮานะเป็นสันตุถีปรมั่งทะนั่งเปินบอกความสันโดษเป็นทรัพย์อันประเสิฐอภิชตาเป็นผู้มักหน่อยเพราะนั้นให้เฮามองเจ้าของอยู่เสมอจะทําสิยงใดก็ตามถ้าจะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนตนเดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อนอต้องมองเจ้าของและจากนั้นกนะ่อนแต่พระพุทธเจ้าสอน่ให้งอมืองอเท้าเด้ บ่ให้ขี่เกียร์ขี่ข้านได้สันตุถีก็จิ๋งยุ่อแต่หูจักประม่าณตนแต่วาการทำ ม, มาหาเลี่ยงชีพเพื่อนบริสวรรคให้ขี่ข้านอุตฐานะสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความมันความขยันคนขยันยอมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญาคนมีปัญญาก็ยอมหาทรัพย์ได้คนขยันและคนมีปัญญายอมหาทรัพย์ได้ถ้าคนโง่ คนโง่คนหมมีปัญญาคนขี่ข้านอีกต่างหากบกขยันคนนั้นจะต้องทุกข์จนนี่พระพุทธเจ้าเป็นสอนยังสันเลยอุท ธ, ธานะสัมปทาถึงพอมหรือความมันความขยันอรักคะสัมปทาในเมื่อรักษาหาตําแหน่งใดการเลียนหนังสือเก่งแล้วหาตําแหน่งใดแล้วหาทรัพสมบัติใดแล้วให้รักษาให้รักษาศพทรัพย์สมบัติไว าราคาสัมปทากันระยานมิตรให้ครบเพื่อนที่ดีงามครบมูเพื่อนอย่าไปครบนักเลงหัวใหม่อย่าไปครบคนมิดฉายฉีบมิดฉายฉีพคือยัางแต่ย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะาการทํามาค้าขายเป็นนักเลงการนพ น, น่งพนันอบายวยมุกทุกอย่างอาต่อไปพ่ายภาคหนาทาว่าเข้าครบค้นบอดีครบคนใด เป็นเช่นคนนั้นแหละพระพุทธเจ้าเป็นตรัสยังสันถ้าหาว่าครบคนขีเลา้าต่อไปเขาก็เป็นขีเล้านําขันว่าเขา้าครบการพนันต่อไปเขาก็เล่นการพนันน้าเขาอต่อไปบรบเขารบครบคนเล่นบัตรเล่นเบอร์เล่นหวยไต่ดินเนื้อดินต่อไปเขาก็เล่นน้าเขาเพราะเห็เุอะไรเพราครบคนใดเดครบคนใดเป็นเช่นคนนั้นแหละในหลักการระยานามิตรให้ครบคนดี ในคดคบคนที่สัมมาหาเลี่ยงชีพแนะนําไปในทางที่เออเฮ็ดยังไงทั้งมาค้าขายจังไงเอ๊เก็บหอมรอมริบจังไงเ อ, อ, อ, งเอ๊ต้องศึกษาอจากนั้นก็นัอถ้าคบคนดีเท่าก็ดีไปนั่มถ้าหากคบค้นสัวเทาก็บสัวไปนั่มเนี่ยวักการะยะนาฏิสัมมาชีวิ ต, ตาเลี่ยงชีวิตในทางที่สอบ อ, อย่างที่หลวงพ่อเนี่ยวานเนี่ย อย่าไปขดอย่าไปโกงอย่าไปป่นอย่าไปจี้อย่าไปเอาสิงส่งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตมาเลี้ยงขอบขั้วเห่าขันว่าเอาของบอดีมาเลี้ยงขอบขับข้วเห่าขอบขั้วเห่าก็เป็นคนบอดีขึ้นกันได้มาเลี้ยงลูกมันกระเขาในสายเลือดของลูกพอได้เงินมาจากไหนพอเด้กเงินมาอไปป่นเขามาอไปขาเขามาไปขดไปโกงเขามานลูกของเขาก็เห็นพอเห็นเนี่เออ ลูกเข้ากับพ่อได้กินในข้อสายเลือดเดียก็เฮียนพอเนีนะพ่อเฮียนพอจะในกันติดคุกติดตะล่างธนาคารเนี่ยอพอหนันเข้าจะไปหาเสียใจพ่อเหตแต่พ่อเดือพ่อเข้เาผ้าเขาเฮ็ดมากเตี่ยงชีวิตมาในทางที่บอชอบในเมื่อเลี้ยงชีวิตมาทางที่บอชอบเออตะกูลของเข้าผูกเกลียวของของเข้าขมันก็บอชอบไปด้วยอีกคือกันเพราะฉนั้นขอ อ, อให้แน่วความคิดสําหรับอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมทุกๆคนนะน่เนี่ยลึกลักถรมขําสอนของพระพุทธศาสนาหรลอยจริยธรรมศีลธรรมจริยธรรมศีลธรรมก็คือศีลหาย่างที่หลวงพ่อได้บอกให้ฟังศีลหายศีลนั้นศีลธรรมจริยธรรมก็ ค, คือความประพฤติเออเอาใจเขามาใสาใ่ใจเฮาเอาใจเฮาไปใส่ใจเขา เฮ็ดไปในทางที่ถูกต้องออย่าไปเฮ็ดที่สิ่งที่มันพิษที่มันบอดีบองง่ามบเหมาะบอมสมนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาอะมืัอ น, นี้หลวงพ่อได้บอกเป็นภาษาทางบานเท่าทองทินเท่าหอได้ฟังตัวทัวกันแล้วก็พวกเข้าไปคิดดูสิว่าอที่หลวงพ่อบอกไปนีไหอมันแมนบอแต่หลวงพ่อก็ ก่อนที่ว่ลองพอคิดจะก่อนเนียังค่อยเว่าว่ามันแมนเนี่ยยัอยว่การสิ่งใดที่มันว่แมนหลวงพ่อเคยเบ่เ้าไปอหลวงพอกิดว่ามันแมนน่ยยังว่ให้ลูกให้ล้านฟังอพอหลวงพ่อนี่ยยังที่หลวงพ่อเคยว่ให้ฟังนะหลวงพ่อนี่ยฝังตัวไว้ในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่หาศิษกว่าปีนะตั้งแต่เป็นเน่นหน่อยจนปานนี่นะเพราะนั้นหลวงพ่อนเนี่ยเบื้องมองใดที่จะเกิดประโยชน์จะท้ายทอด แนะนำลูกหลานให้รู้จักศีลรู้จักธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีที่ยาการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันมนุษย์ชาติล่มเย็นเป็นทุกข์ทั่วน า, นากันควรนปฏิบัติตนจังได้วงหลวงพ่อก็จะบอกกล่าวแนะนำลูกหลานทุกคนนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเ้อนนะวันเนื้อนะรับพร